แต่เราไม่รู้ว่าเราหาไงเพราะมันความเป็นความเป็นวัฒนธรรมเป็นความเคยชินเป็นค่านิยมเป็นประเพณีเราก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้เรากำลังหาความพอดีนะการเคลื่อนไหวร่างกายนี่ทำไมต้องเคลื่อนไหวก็ปรับหาความพอดีถ้านั่งทื่อไม่เคลื่อนไหวเลยก็ขาดถ้าเคลื่อนไหวอย่างไม่มีจุดหยุดเลยก็เกินนะเพราะฉะนั้นคนระหว่างนั่งสมาธิกับไปเต้นรำเนี่ย มันก็เกิดทั้งขาดทั้งเกินพวกที่ไปเต้นราสนุกสนานได้เคลื่อนไหวสวิงมีจังหวะเร่งเรยวสนุกได้ทั้งคืนแต่พวกที่นั่งสมาธิก็ทรามานตัวเองทั้งคืนเหมือนกันพอพยายามนิ่งๆ น, งนะฮะเพราะฉะนั้นเองในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวบรรลุเทียนเราจะปรับทั้งการเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่งแต่พอดีได้อย่างไรเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ให้เราศึกษานะ เพราะนธรรมนาปณะสติบางทีเราก็นิ่งมากเกินไปมันเป็นส่วนขาดนะพวกที่ใช้การออกนะกําลังกายเป็นกรรมฐานบางทีก็าการเคลื่อนไหวมากเกินไปมันก็เกินทีนี้พอเรามาใช้การเคลื่อนไหวกันอยู่แต่พอดีมันก็หาตัวกลางได้ง่ายขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยไม่หนักเกินไป แล้วก็ไม่เพลินเกินไปด้วยการปรับเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่รู้คอนเซปต์หลักตัวนี้เราก็เดินก็เดินทั้งวันเพลินในการเดินร่างกายก็ปวดก็ล้าก็เมื่อยเพราะเกินมันจึงขาดเกินคือหมายความว่าเราไปชอบไปเพลินอยู่กับเวทนาส่วนขาดคือทําให้ร่างกายบอบไม่สบายเครียดและทำให้เกิดอารมณ์ภายในสุตรงดีใจก็ดีใจเกินไปถ้าหากว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบมากเกินไป นี่คือความยากของของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่อยากจะทำวิปัสสนาทำสมถะดีกว่าแล้วก็คอยแก้ไขปรับไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันได้แก้ได้ปรับก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าส่วนขาดมันเกินก็ปรับมันไว้ส่วนขาดมันมากก็กดมันไว้ในส่วนไหนที่มันส่วนเกินมันมีก็ไปเสวยเมื่อใดได้ปีติได้ความเบาสบายก็ไปแช่ในมัน แล้วเขาไปเสวยในส่วนเกินเมื่อไหร่มันหนักมันหน่วงมันทวงมันทับมันเป็นนิวรมันเป็นทุกข์ก็หนีหรือหนีไม่ไหวกดทับ บ, บังคับร่างกายให้ให้ยอมรับอย่า ง, งั้นนะเพราะฉะนั้นส่วนขาดส่วนเกินไม่สมดุลไม่พอดีกัน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาก็คือวิท ห, หาวิธีการปรับเรื่อยๆจึง <c oughs> ใช้วิริยะค่อนข้างสูงนั้นการทำไม่ใช่ว่าทำให้มากๆ แต่ปรับเข้าสู่ความสมดุลความพอดีทั้งด้านร่างกายเนี่ยให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ส่วนขาดและส่วนเกินเข้าไปสู่จิตถ้าส่วนเกินเข้าไปสู่จิตแล้วก็พอใจถ้าส่วนกัดส่วนขาดเข้าไปสู่จิตแล้วก็ไม่พอใจแต่ส่วนขาดส่วนเกินสมดุลกันพอดีจิตแล้วก็จะว่างจากขาดและเกินนั้นเรียกว่าเป็นตัวสภาวะซึ่งมันยากตรงนี้เอง ดันั้นเบื้องต้นเนี่ยท่านจึงสร้างตัวธรรมจักสู่ก่อนอสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนโดยสมะทิฏฐิเอสมะสกปะที่ได้กล่าวคือสร้างปัญญาก่อนสร้างความเข้าใจก่อนเม <c oughs> ื่อมีเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาแล้วค่อยไปปรับดูเหมือนคนที่จะไปปรับหาไอ้ตาช่างเนี่ยมันต้องดูให้เป็นก่อนว่าพอดายเท่าไหร่มันจะพอดีหาตาช่างประลอดวัดน้ำไม้บรรทัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใน ดูให้เป็นซะก่อนในขนาดไหนถึงจะพอดีแม้แต่แม่ครัวเองก็ต้องเป็นแม่ครัวที่รู้ว่าอาหารขนาไหนที่ว่าจะพอดีกับทุกคนไม่ขาดและไม่เกินคือลดไม่จัดเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่จืดเกินไปมันพอดีตรงเนี้แล้วนั่นเองในการจัดข้อที่นี่เราก็เลยถ้าเป็นอาหารธรรมดามันก็มีทั้งส่วนขาดหรืเกินเอาพอมเป็นอาหารมังสวิรัต มันพอดีลดไม่จัดเกินไปไม่หนักเกินไปและไม่เบาเกินไปเราก็เลยมาใช้มังสวิรัตในช่วงคอที่นี่ตั้งแต่ต้นมามันพอกินได้ไม่อร่อยเกินไปในขณะเดียวกันก็ไม่จืดชืดจนไม่เป็นรบเป็นชาตนะิอันนี้ก็มีส่วนปรับในแง่ของความพอดีภายนอกใส่กันนะในห้องนอนของเราก็มีปรับ มีทั้งพัดลมทั้งแอร์ถ้าหากว่าคนที่พอดีไม่ต้องใช้พัดลมคนที่รู้สึกว่าเออไม่ใช้พัดลมเลยแย่หน่อยใช้พัดลมหน่อยคนที่ใช้พัดลมแล้วร่างกายก็ยังแย่อยู่ก็ไปใช้แอร์ปรับหาความพอดีของแต่ละคนทีนี้คนที่พอดีในข้างที่ทนได้หน่อยหนึ่งก็ใช้แค่ไม่ต้องใช้พัดลมหรือจะใช้ก็ใช้พัดลมระดับเกียร์ต่ําเกียร์หนึ่งเกียร์สองย่างนี้นะแต่จะให้สบายให้เกินก็อาใช้เกียร์สาม บางคนที่อยู่กับความสบายจนชินแล้วพอมันหนักมันหน่วงมันทวงมันทับหน่อยรู้สึกทนไม่ไหวก็หันไปใช้แอร์ขึ้นมาก็ต้องเสียเงินเนี่ยเพราะนั้นในการที่เราจะต้องขนขวายหายทรัพย์สมบัติต่างๆเพื่อมาเติมส่วนขาดและส่วนเกินแต่ไม่เคยพอดีอ่ะพระเจ้าท่านเห็นตรงนี้โอ้ท่านตรัสธรรมเทศนากันแรกบอกว่าผู้ปฏิบัติต้องละทางสุดโตง่งทั้งสองทางให้ได้ทางสุดโตง่งทั้งสองทางคือตรง สบายและตรงไม่สบายตรงสบายเรียกว่ากามะสุขานิการนโยตรงไม่สบายาดดเรียกว่าอตักริมธาณโยกแล้วท่านจะกระตือมาหาทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาแต่จะเข้าสู่สายกลางมัชชิมาปฏิปทาได้คุณต้องมีวิธี8วิธีเนี่ยประการแรกต้องทำตาในให้เกิดให้ได้คือสมาทิฏิและสมะสังกปะคือตาใน แต่ครนก็มีตาในแต่มันตาในแบบสัญชตาตญาณไม่ใช่ตาในแบบปัญญาญาตตาในแบบสัญชตาตญาณก็คือเราก็รู้ข้างในแต่รู้ในลักษณะที่เป็นดุนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นเราเป็นเขามันไม่ได้รู้ในความเฉพาะความรู้สึกที่เป็นปรมัตา์เพราะฉะนั้นการตาในที่มองเห็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาแบบลกูกคีย์เนี่ยจึงเป็นตาในแบบสัญชตาตญาณมีความฉลาดสามารถคำนวณ จินตนาการกะอะไรถูกเปะเ ป, ะ เ, ปะเนี่ยคนที่มีตาในในแง่สมมุติเนี่ยก็จะเก่งในด้านนั้นแต่คนนี้คนนั้นก็ถ้าไม่ได้ปฏิบัติพิปัสนาก็มีตาในปรมัดไม่ได้ตาในที่เป็นที่ผู้ดีเจ้าต้องการคือตัวธรรมจักสุหรือพุทธจักสุคือให้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายเนี่ยให้ชัดๆก่อนเมื่อชัดแล้วปรับให้พอดีได้อย่างไร ถ้าเห็นไม่ชัดมันเกินมันขาดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเต็มไปได้วยล่องรอยแห่งการขาดและเกินเพราะนั้นการพยายามของเราคือปรับให้พอดีนั้นเบื้องต้นให้รู้จักปรับกายให้เป็นก่อนปรับกายพอดีถ้าเรียกว่าปรับอารมณ์เบื้องต้นจึงให้รู้จกักรูปกับนามโดยรูปที่มันขาดไปยังไงตัวนามเป็นตัวชีวัดถ้ารูปไม่มีนามก็มี ไม่มีตัวชีวัดเหมือนเรามีกระบอกไฟฉายมีหลอดไฟแต่ไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่เกิดประโยชน์เรามีแต่รูปแต่ไม่มีนม้ำก็เหมือนได้หลอดไฟรถไม่มีแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นตัวน้ำเสมือนแบตเตอรี่และกระแสไฟตัวรูปก็เหมือนกับโครงสร้างของรถของหลอดไฟของอะไรต่างที่เป็นโครงสร้างของมันให้ดูสองอันนี้ให้ชัดทีก่อนเออรูปมันเป็นอย่างนี้นะพอมีน้ำเข้าไป มันก็มีตัวแปลเยอะยแยะไปหมดนะเพราะนั้นให้รู้สองอย่างว่าหน้าที่ของรูปคืออะไรหน้าที่ของนามคืออะไรรู้ให้ชัดในเบื้องต้นรู้จักรูปนามเฉพาะนีเอือ้อดคนใหม่นะท่านจะแยกกลุ่มออกไปก็ตอนาสายๆนะช้งเชานี้ให้เห็นรวมๆกอนคนเก่าที่เข้าใจรูปนามมาผิดๆก็จะได้ปรับด้วยคนใหม่ที่ยังไม่เข้าใจรูปนามก็จะได้เข้าใจในทางถูก พอเข้ามาข้อเจ็ดข้อสิข้อเข้ามาหลายปีก็ก็ไ ม, ไม่ไม่เชื่อมั่นว่าจะถูกต้องหรือเปล่าที่เป็นเวลานานๆก็มาปรับใส่กันเพราะมันแก้ไขปัญหา ย, ยังไม่ยังไม่ได้มากไงนะดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยในวิธีการหลวงพ่เทียนให้รู้กายกับใจให้รู้รูปกับนามเรื่องกายกับใจรูปกับนามต่างกันไงเมื่อวานได้กล่าวแล้วในที่บรรยายในห้องหอจุหมาเหตุ เพราะนั้นเมื่อเข้าใจตาเราเห็นแจ้งเบื้องต้นที่สุดคนไหนรู้กายได้ชัดรู้ใจได้ชัดรู้รูปได้ชัดด้วยนามได้ชัดเนี่ยเดี๋ยว่าได้ดวงตาเห็นธรรมละวว่าเออกายเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะไม่สำคัญกายเป็นข้องเราไม่สำคัญจิตเป็นข้องเราเราก็เห็นกายกับใจนี้เป็น ท, ที่ตั้งของอะไรกายเป็นที่ตั้งของอนิจจังทุกขังหน้าตา แต่ว่าเมื่ออานิจังทุกขังหน้าตาไม่ได้ถูกศึกษาไม่ได้ถูกตามรู้ไม่ได้ถูกกาหนดมันก็จะแปลงไปสู่นามเป็นนามารูปเรียกว่าพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยแตแปลงทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นจึงมาสร้างตัวธรรมะเจาสุคือตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นว่าอานิจังทุกขังหน้าตาอยู่แค่กายนะเมื่อใดมันล่วงล้ําไปสู่จิตแน่นอนคุณก็ต้องต่อสู้ดิลล้นรนเอาออกให้ได้แต่เมื่อ อ, ออกไม่ได้มันก็ลามไปเรื่อยๆ ลามไปจนกระทั่งว่าเป็นกิเลสเป็นอาสะวะยิ่ง อ, ออกอยากนะดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยขอให้ได้เข้าใจว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ธ ร, รมมจักรสูตได้เห็นว่าลูกร่องตกเป็นธาตุของตรลักษณ์ไม่มียกเวน้นเมื่อไม่มีนามที่เป็นปัญญายาณก็ไม่สามารถสกัดตรลักษณ์ที่ออกมาดูความสบายไม่สบายเฉยๆเนี่ย ไม่สามารถสกัดกันได้มันจะต้องลุกลามเข้าสู่ใจเรียกว่านามรูปก็เป็นความพอใจไม่พอใจแล้วก็สงสัยนะดังนั้นตลอดเวลาของการยืนเดินนั่งนอนให้ปรับหาความพอดีคืออย่าให้สบายเกินไปทนเอาหน่อยและอย่าให้ทนมากเกินไปจนอืดอัดขาดเครืองแล้วก็ร่างกายบอบช้ําให้ปรับออกถ้าเกินในส่วนส่วนไหนที่ ขาดให้ปรับเข้าในส่วนที่เกินให้ปรับออกปรับอย่างนี้แหละส่วนที่เกินก็คือถ้าเกินได้ทั้งสุขเกินได้ทั้งทุกข์นะถ้ามันเกินในฝ่ายสุขก็มันขาดทั้งด้านสบายถ้ามันเกินในฝ่ายสบายก็มันก็ขาดในด้านไม่สบายขึ้นมาก็เติมทั้งสองส่วนนะมันก็จะเกิดความพอดีอันนี้คือความยากของวิปัสสนา แม่ครัวที่ปรุงอาหารได้พอดีพอดีจนคนกินติดไม่ใช่ง่ายเลยต้องผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วแม่ครัวหัวปลานั่นหมายความเขาปรับความพอดีในอัตราส่วนของอาหารทุกอย่างซึ่งมีราคาแพงนะไม่ใช่ว่าคนที่ทําครัวมานานแล้วจะทําอาหารอร่อยเหมือนกันทุกคนก็หาไม่บางคนก็ยังไม่อร่อยเหมือนเดิมเหมือนกันคนมาปฏิบัติตั้งนานแล้วสามารถจะปรับความพอดีของกายของใจให้พอดีก็ไม่ใช่ อยู่ว่าเขาได้เข้าใจสติที่เป็นปัญญายาณได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเห็นสติปัญญายาณที่ถูกแปลงมาก็ยิ่งเห็นความเชื่อมต่อระหว่างพอดีและไม่พอดีได้ง่ายเหมือนเราเห็นความเชื่อมต่อระหว่างแต่ช่างระหว่างที่ระหว่างศูนย์กับร้อเนี่ยมันเชื่อมต่อกับตรงนั้น <c oughs> ถ้ามันไปทาง ขวามันขึ้น12ึสาไปทางซ้ายก็ลบไปทางขวามันก็บวกแต่การที่เข็มต่ช่างมาอยู่ระหว่างกลางไม่บวกไม่ลบนั่นนั่นคือความพอดีของมันนะพะนั่นจะเห็นว่า น, นี้คือหลักสากลที่พุทธิยถาตัสรู้เนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ละเอียดไม่ค่อยได้แยบขายในคำสอนของท่านเราเอาความสติที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยเข้าไปตัดสิน หรือมีปัญญายาญปนอยู่ว่างในอัตราส่วนที่ตำ่ำเส้นชันชัตตายาลรนบางคนมีปัญญายาญอยู่5 0าสิบเอ่ามเปอรแต่เมื่อใดถ้าหากว่าเกณฑ์ตัดสินว่าคุณต้องตาดีถึง 70% คุณจะเห็นเส้นแบ่งระหว่าง0กับร้อเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนมากเราก็ต้องพยายามปรับที่สายตาของเราส่วนได้ช่างมันแน่นอนมาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับ เป็นแต่ตาช่างขีกงของพ่อค้าออันนั้นก็อีกเงื่อนไขหนึง่งดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําเล่นไม่ได้เลยเราจะเห็นเป็นเรื่องกรรมาฐานเป็นเรื่องสนุกคอร์ดไหนก็จะไปอาจารย์นู้นก็จะไปอาจารย์นีน้ก็จะไปมันเป็นเรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนบางคนปฏิบัติมาไม่รู้กี่ปีก็ ย, ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพระบทมา10บภาษา20่สภาษาก็ ย, ยังติดอใบยมุกติดเราติดยาติดอะไรเหมือนเดิมอ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะบอกว่าทําผิดมาตลอดก็ไม่ใช่แต่ทําไม่ถูกอ่าเพราะฉะนั้นถ้าในคําสอนพุทธเจ้าถ้าใครเข้าใจถูกแม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโอหองคุลิมานนะ่ะฆ่าคนมาเท่าไหร่พอเข้าใจได้ดวงใจเห็นธรรมเพียงไม่กี่ชั่วโมงท่านเปลี่ยนแปลงคนละเรื่องเลยจากโจรกลายมาเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจของเราในถูกตรงแค่ไหน พระเฮรุทธิยะที่เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์มาตลอดพพระพุทธเจ้าบอกกาไม่ใช่ปรับใหม่ท่านปรับเพียงไม่กี่ชั่วโมงท่านก็บรรลุธรรมเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าความเข้าใจในสําคัญธรรมจักสูุจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องปรับแล้วปรับอีกให้สายตาของเราสายตาธรรมจักสูุของเราตรงชัดเห็นเส้นแบ่งระหว่างสุขและทุกข์เห็นเส้นแบ่งระหว่างความสบายไม่สบายเห็นเส้นแบ่งระหว่างความคิดและความรู้สึก เห็นเส้นแบ่งระหว่างรูปกับนามเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็มีอย่างเดียวค่อยสังเกตแล้วก็ปรับค่อยสังเกตแล้วก็ปรับเรานั่งสบายสักพักเราก็รู้สึกง่วงใช่ไหมแสดงมันเกิดแล้วแล้วก็ปรับออกนั่งสบายสักพักเราคิดแล้วก็ปรับออกทันทีอันนี้นั่งง่วงไปไม่รู้กี่รอบมัยังปรับไม่เป็นเลยอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีประสบการณ์วันนี้เราจะรู้ว่าเราปรับเก่งหรือไม่เก่งเราจะรู้วันนี้ ดังนั้นเองในช่วงเวลาสั้นเนี่ยมันเพียงพอ5วันสวัน5วันถ้าเราศึกษากันจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับพระอริยสมัยก่อนท่านอาศัยเวลาไม่ถึงสชั่วโมงท่านบรรลุธรรมเฉยเลยนะแต่ถ้าเราไม่ปรับไม่เข้าใจจู่นี้ต่อให้30ปีก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะไม่เกิดธรรมะจักษุไม่เกิดปัญญาตัวธรรมะจักษุคือตัววิปัสสนาญาณรือปัญญาญาณคำเดียวกัน แต่เราใช้ว่าธรรมจกัจกรขงอุท ạ ปาริจักรุงุทปาริท่านใช้เวลาสวดในธรรมจักรจักรุงอุท ạ ปาริญาณังอุท ạ ปาิปัญญาอุท ạ ปาิวิชาวุท ạ ปาิอโลโกุท ạ ปาิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราคาว่าจักสุนั้นไม่ได้หมายถึงมังสะจักสุแต่หมายถึงปัญญาจักสุเพราะฉะนั้นปัญญาจักสุตรงนั้นประกอบด้วยญาณวิชาปัญญาและแสงสว่าง จะคอุทธปฏิญานางุทธปฏิปัญญาทัาปฏิวิชาทพิอะโลโก้ทัปฏิประกอบด้วยตัวนั้นคําว่าทัพมาจากสู่ภายในถ้าไม่มียานไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างภายในแล้วธรรมาจากสู่ก็ยังไม่ใช่นี่พระเทพรท่านตรัสไว้ในธรรมจักรไม่ใช่เรามามั่วกระเด่งนะแล้วก็ท่านบอกชัดว่าทางที่นักปฏิบัติควรจะต้องละสองทางคือส่วนขาดและส่วนเกินอัตตกิเลมัทานุยโยกและ การสุขอนิการนโยกแต่ส่วนที่ต้องดำเนินให้แน่นอนชัดเจนคือมัชฌิมาปฏิปทาแต่มัชฌิมาปฏิปทานนั้นเป็นไฉนแต่ท่านบัญญัติถึงอริมักวิอุปแปดเข้ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินดังนั้นขณะนี้เราก็ทำอยู่สองตัวข้างต้นนี่คือสมาธิทิฏฐิกับสมาสังกปะสมาธิทิฏฐิของเราจะชัดหรือไม่ชัดมาดูว่าทุกเกิดทางกายเราเห็นมันชัดไหม เวลาเราปรับแล้วทุกหายไปความสบายเกิดขึ้นความสบายขึ้นเราเห็นมันชัดไหมถ้าชัดหมความสายตาเราเริ่มดีแล้วแต่ในส่วนที่เป็นรูปนามเท่านั้นนะแต่เราจะสามารถสกัดกั้นความสบายไม่สบายอยู่แค่กายเนี่ยไปได้ยาวนานเนี่ยเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่ยังไม่ชัดแต่เอาละมันก็ต้องอยู่กับขาดจะเกินไปเรื่อยๆแต่คอยปรับเอาขาดบ้างเกินบ้างขาดบ้างเกินบ้าง แต่ถ้ามันขาดมันเกินอยู่ที่รูปนามหรือที่กายเนี่ยมันปรับง่ายเวลานั่งไปไม่สบายแค่ปรับแค่เนี้มันก็พอดีละพอดีคือสบายพอ น, นั่งไปเอาเพลินเอาสบายเกินไปง่วงเหงาอาขาดแล้วก็ปรับอีกอยู่างนี้นแหละมันไม่มีทางอื่นเลยพุทธิยถาตระเอกายโนมะโคทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวไม่มีทางอื่นเลยถ้ากูจะให้มันพ้น ถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นทางเดียวแล้วนำไปสู่หนึ่งสตานังวิสุทิยาชำระจิตของเราออกจากความเป็นสัตว์ได้หมดจด 2. โสกะปริเทวนงังสมติกมายะสามารถข้ามคว า, า, ามรู้สึกที่เป็นวิตกกังวลไม่สบายใจต่างๆข้ามได้มันมีอยู่แต่เราข้ามมันได้ 3. ทุกขโทมนานัสานังอัดถังขามายะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ มันจัดการออกได้ 4. ยายะัตสะอาธิคมายะเราสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจอันนี้ได้ไม่ยากบรรลุทำได้ไม่ยาก 5. นิพพานาสัจิกรันถายะสามารถทำความดับความเย็นของเวทนาทางกายและจิตให้ปรากฏได้แม้แต่ทีละขณะทีละขณะก็เริ่มไปก่อนเวทนาสมมุนัังท่านนี้เราร้อนใช่ไปวดเมื่อยก็ปรับ ในกรณีที่เรามีวิบากกรรมถ้าเราทําเกินอย่างซ้ำซากทําขาดอย่างซ้ำซากทําผิดกับร่างกายนี่อย่างซ้ําซากมันกลายมาเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมนี่เราก็จะเซนซิทีฟต่อทุกได้เร็วคนปกตินั่งยี่สามนาที5ท้าทีนั่งได้สบายแต่คนวิบากกรรมนั่งแค่นาทีไม่สบายแนละ้วเพราะว่ามันได้สั่งสมวิบากกรรมน้นมานานเราก็ต้องมาชดใช้ด้วยการทนปรับบ่อยๆแก้กรรมตัวเอง คือปรับให้มันถูกต้องมากขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราทําผิดแบบซ้ำซากแล้วก็ไปแก้ไขปาเหตุไปเรื่อยๆจากนั่งพื้นไม่ได้ก็มานั่งเก้าอี้จากนั่งเก้าอี้ไม่ได้ก็ถือไม้เท้าสามขาสีขาจากถือไม้เท้าไม่ได้ก็ต้องนอนจากนอนไม่ได้ก็ต้องขึ้นบนเตียงหมอไปตามลำดำับแล้ววิบากกรรมจะส่งผลไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มใช้วิปัสสนาวันนี้เรานั่งพื้นนั่งเก้าอี้ เราปรับเรามาืนั่งพื้นนี่เป็นยังไงวิบากกรรมเราแรงมากไหมขาดันนั่งพื้นไม่ได้ชื่อหรือเริ่มปรับมันปวดตรงไหนมันเมื่อยตรงไหนนวดใช้การเคลื่อนไหวนี่คือวิธีพุทธมันมีวิธีแก้วิธีแก้วิบากกรรมแต่เราเมืเ่อสติมีศรัทธามีความเพียรมากพอไหมที่จะทําถ้าเราศรัทธาและความเพียรไม่มากพอเราก็ยอมรับวิบากเราก็ไปแก้ปลายเหตุไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีขึ้น พอเราจิตของเราอ่อนแอเกินไปแต่พอเรามาฝึกฝนแบบนี้จิตเราเริ่มสู้เริ่มเข้มแข็งว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าทุกต้องกําหนดรู้การกำหนดรู้เป็นตัวปัญญาลนะ่ะทุกคือเกิดเพราะส่วนขาดและส่วนเกินของอนิจจและอนัตตาแต่ปรับที่อนิจจคือการเกิดอนัตตาคือการดับปรับที่การเกิดและการดับของรูปนามให้พอดี ทุกก็จะเบาบางและวจะปรับได้มากน้อยแค่ไหนปรับได้ 70% ทุกก็เหลือแค่3 0มปรับได้ 50% ทุก็เหลือแค่ห้าสปรับได้ 80% ทุกก็เหลือแค่ยีมันก็จะปรับไตระดับของมันเรื่อยๆขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของเราว่าเราปรับได้แค่ไหนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราเราทำกันอย่างนั้นมาดูแล้วโอ้โหมันเสียเวลามากๆพอมาเสียเวลามาแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิปี เพื่อมาเจอจุดนี้แล้วเนี่ยมาก็จะไม่ยอมเสียเวลาต่อไปและจะบอกผู้ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติว่าคุณอย่าเสียเวลาแบบฉันนะแต่ว่าคุณต้องมีความรักที่จะทําต้องมีความพยายามที่จะทําความรักที่ถูกต้องคือรักที่จะเห็นความสุขสบายของตัวเองอรักที่จะเห็นความสงบและความเยือกเย็นของตัวเองไม่ได้รักคนอื่นว่าตัวเองทุกข์เราไปรักคนอื่นบอกรักคนอื่นมันไม่ใช่ ไม่ใช่รักในพุทธศาสนารักในพุทธศาสนาต้องปรารถนาตัวเองให้เป็นสุขสงบเยือกเย็นเสียก่อนแล้วจะทำยังไงให้ตัวเองเป็นสุขสงบเยือกเย็นได้ต้องต้องพยายามทุกทิศทางนั่นเรียกว่าเรารักตัวเองจริงแต่ถ้าหากว่าเราไม่รักตัวเองแล้ว เ, เป็นคนขวายเพื่อจะให้คนอื่นมารักเราเนี่ยเป็นความหลงอะ่ะเสร็จแล้วกับคนขวายหังเงินหาทองหาชีพเพื่อไ ป, ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงพี่เลียเล้ย ง, ยงน้องไปจะให้เขามารักเราแล้วผิดหวังมาเท่าไหร่เนะี่ยแต่เราไม่เคยคิดแล้วทุกข์กับ บุคคลเหล่านี้มาเท่าไหร่ถ้าตราบใดเรายังไม่รับภพธรรมสอนของผู้ริจ้าเราก็ยังงุดตาไม่สว่างก็ยังงงไปอยู่ยงั้นนะไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติดนะังนั้นพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องลอยนะเป็นเรื่องที่มีหลักฐานที่เราพิสูจน์ได้ในแต่ละวันอืเพราะะฉนั้นเองหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเข้าใจปรับตัว อนิจังและอนัตตามันจะเป็นตัวอนิจังอนัตตก็กลายมาเป็นนิพพานเลยอนิจังทุกขังนิพพานอใ น, นอณีของที่เบตนะที่เบตดเขาจำกัดไม่ใช่อนิจังทุกขังอนัตต์เป็นอนิจังทุกขังนิพพานเพราะเรามาปรับทุกขอ อ, อกจากส่วนเกินทุกไม่มีเป็นนิพพานเลยเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยแต่เบื้องต้นนี่ยขอให้รู้จักนิพพานทางรูปเสียก่อน ปวดขามันเกิดทุกพพข์เพอะพลิกขาความทุกข์หายไปตามรู้ว่าทุกข์หายไปอย่างไรนิพานเกิดแล้วเขาเรียกขัขนิกะนิพานนิพานทีละขณะขณะก่อนที่มันจะเป็นสมุเฉดานิพานมันก็จะเริ่มไปทีละขณะเหมือนต้นไม้ไม่ใช่ว่าโตทีหรือยืดปื้ดขึ้นมา3เมตรหเมตรก็จะขึ้น3เมตรหาเมตรมันมันเกิดตลอดเวลาทีละเซนครึ่งเซนทีละศูนย์จุดเซนมันก็ขึ้นของมันตลอดเวลา เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเราพยายามรู้ถึงการปรับความสบายไม่สบายทุกวินาทีทุกนาทีให้เห็นชัดๆเนี่ยนิพานว่าเกิดขึ้นทีละขณะเรีว่ณิกะ น, นิพานที่ท่านใช้ในห้องอ น, นิพานของพอธธระพุทธทาสเราจะมาเห็นว่านิพานชิมลองมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราเป็นเห็นเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่อ ง, ปปปองโปรโมทเกินจริงเป็นใช้การคำโตอ น, นี้มัน จริงมันเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าแต่ว่าเราไม่รู้จักว่านิพานคืออะไรเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นในคอ้อนี้ขอให้เราได้ตั้งใจพ่อเห็นแล้วส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยผ่านมาทั้งนั้นแล้วคนที่ยังไม่ผ่านเดี๋ยวหลวงพ่อจะอปรับให้อีกทีหนึ่งนะมีประมาณเท่าไหร่ถึงไม่ถึงสิบคนใช่ไหมหกเจ็ดคนดูเมื่อวานคนที่ยังไม่เคยผ่านมาเลยนะ ถ้าปรับให้ดีเนะี่ยเดี๋ยวต้วนอาจจะไปไกลกว่าคนที่ผ่านมาแล้วนะเพราะเคยคนที่ผ่านมาแล้วยังผิดๆเนี่ยมันขี้เกียจแก่ละเพราะว่าอันนั้นคุรู้แล้วนะแค่นี้ก็พออะไรเนี่ยมันก็จะจะมาปรับมาแก้ใหม่ไม่เอาแบบนักเรียนตกซ้ำสร้างไม่อยากจะเรียนต่อฉันออกโรงเรียนอินดีฟ้าไปหาเรื่องใหม่ดังนั้นเองเราก็เช่นเดียวกันปรับแล้วก็มาศึกษาแต่และท่านที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่ธรรมดามีบุญมีคุณสนสะสมมาพอสมควรแต่บุญกุศลเป็นทุนขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ของสิ่งที่ผิดพลาดออกไปอีกมันก็มีคุ้มกันมันจะต้องปรับความถูกต้องปรับความพอดีที่สามารถเอาไปใช้ได้ทุกวันทุกเวลามันถึงจะคุ้มกันสัมผัสนิพานตลอดทุกนาทีแล้ววันใดวันหนึ่งที่มันพร้อมเหมือนกับต้นไม้ที่มันพร้อมมันโตพอมันออกดอกออกผลแต่มันก็ใช้เวลาเติบโตมาหลายปี ฉันเดียวกันนิพานที่ปรากฏขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของเราคนที่ระดับระดับสติปัญญาสูงมากเนะี่ยเขาอาจจะสัมผัสนิพานในระดับสูงได้เวลาไม่นานแต่สติปัญญาของเรายังไม่สูงพอความรักไม่มากพอความเพียรไม่มากพอเราก็ใช้เวลานานอยู่แต่ว่าไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอันนั้นในคอสนี้เป็นคอสจุด ท, ท้ายสําหรับที่นี่นะี อีกทีหนึ่งก็ไปเดือนต่อไปอามาก็ไม่อยู่ลนะนั้นก็อยากจะปรับให้ให้ชัดเจนเมื่ อ, อไรเกิดข้อสงสัยไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งอย่ากเก็บเอาไว้มาถามได้ทันทีนะเอ๊ะฉันนั่งไปทําไมมันหาวฉัาานีะแก้หาวได้อย่างไรเนี่ยก็ก็ปรับดูว่าเอ๊ะก่อนที่มันจะหาวเนี่ยมันต้องก่อนหน้ามันจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เราลืมดูมันไงการหาวการง่วงเป็นส่วนขาที่ส่วนเกินก็มีการ คำนวณสัดส่วนของความรู้สึกละ่ะอ๋อหาวเพราะเราเพลินในในเวทนาเป็นสุขเวทนาเพลินก็ทำให้เกิดการหลังสารอะไรบางอย่างที่กขาให้เกิดการหาวขึ้นมาหายใจสั้นเกินไปมันไม่พอออกซิเจนไม่พอสารในระดับสมองที่ขาดออกซิเจนเกิดอาการหาวขึ้นมานาทางหลักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันนั้น มันก็ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงให้ใจให้ลึกปรับตัวให้ชัดความหาวความงงก็หายไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราได้ตั้งใจตั้งใจศึกษานะไม่ใช่ตั้งใจทําการศึกษาหมายถึงการปรับ ก, การแก้ให้มันพอดีพอดีเนะี่ยทุกๆๆระยะไปแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังในการศึกษาคนไหนที่มีร่างกายมีความปวดความเมื่อยมากยิ่งดี เพราะเราจะได้ใช้ตัวความปวดความไม่สบายนี่แหละเป็นนิมิตของการศึกษาลองปรับมันบ่อยๆท่งนี้ไม่สบายก็เปลี่ยนมันบ่อยๆไม่ผิดการปรับการเปลี่ยนบ่อยๆไม่ผิดเพื่อมันเป็นนิมิตของการศึกษาใช้ความปวดความไม่สบายนี่เป็นเครื่องมือของการศึกษาเราจจะเข้าใจธรรมะกับมันได้ไม่ยากก็ได้แต่ร่างกายที่สบายคนหนุ่มคุณสาวร่างกายที่สบายไม่ค่อยมีทุกเวทนาเลยกลับเป็นความเร่งช้าเพราะเราจะไปติดเพลินในสุขเวทนา พอมันเวทนามันเพลินมันก็จะก่อให้เกิดความคิดความอยากอะไรไปเรื่อยๆแต่คนไหนที่มีร่างกายเซนซิทีฟต่อความเจ็บความป่วยเนี่ยมันก็จะมาดูแลเอาใจใส่ความเจ็บป่วยแก้ไขมันตลอดเวลาเพียงแต่ใส่สดิสัญญาลงไปเท่านั้นเองความเจ็บปว่วยนั้นก็จะผันตัวเป็นจากทุกขังเป็นปัญญาเป็นนิพพานได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีทุกเวทนามาไวอ่อนไหวกับเวทนาเนี่ย เป็นส่วนถ้าหาแก้ไขไม่ได้ดีก็จะเป็นส่วนบวกด้วยซ้ําไปแต่คนที่มีเวทนาน้อยร่างกายเบาบางถ้าหากว่ามีสติมีสมรญ่าเข้มแข็งก็เป็นเหตุให้เข้าถึงสภาวะธรรได้เร็วถ้ามีเวทนาเบาบางแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าแค่นี้มันไม่พอเราบังคับตัวเองให้มันปวดมันเมื่อยมันก็สุดตรงไปอีกทางนหนึ่งเงื่อนไขมันค่อนข้างซับซ้อนตนีเองแล้วต้องสังเกตปรับอ ย, อย่างนั้นจนกว่ามันจะเกิดปัญญาชัดเจนขึ้น เลยเกิดธรรมะจากสุเกิดปัญญาจากสุเกิดญาณจากสุนะเกิดวิชาจากสุขึ้นมามันก็จะง่ายขึ้นนะดังนั้นเองมาถามคนหลายคนนะเมื่อคุณจะสตาร์ทรถออกจากบ้านในเวลากลางคืนสิ่งแรกที่สุดคุณต้องทําคืออะไรถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้คุณออกจากที่ไม่ได้เลยบางคนก็ตอบถูกบางคนก็ตอบผิดนะสิ่งแรกคุณต้องเปิดไฟก่อนคุณจะขยับไปไหนนะในเวลากลางคืน ถ้ไม่เปิดไฟคุณไปไม่ได้รถคุณจะดีขนาดไหนก็ตามร่างกายและจิตใจของเราเนี่จะดีขนาดได้หรถ้าไม่เกิดปัญญาจาักสุเสมือนไฟรถในเวลาคืนเนี่ยไปทางไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นคนฉลาดที่สุดก็มีปัญหาคนรวยที่สุดก็มีปัญหาเพราะมันขาดธรรมะจักสุรถเยี่ยห้อดีที่สุดลองไม่เปิดไฟวิ่งในเวลาคืนดูเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ฉลาดมีความพร้อมที่สุดแต่ไม่มาสึก ฝึกฝนในเรื่องปัญญาจากสูตรเนี่ยชีวิตเขาจะสร้างปัญหามากมายให้กับตัวเองและผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนได้ทั่วไปเหมือนกันเพราะรวยมากก็สร้างปัญหาได้มากเพราะมืดบอดและเอาความมืดบอดของตัวเองไปครอบงมคนอื่นปัญหาก็เกิดนั้นนั้นก็ในคดเนี้ยก็อยากจะให้ตั้งใจใครมีอะไรสงสัยไหมในเรื่องความพอดีความขาดเกิน ไม่มีน ะ, ะไม่มีก็ปรับหนึ่งลูกขึ้นสองนั่งเพลินไม่ขยับเลยลูกยากหน่อยใช่ไหมสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดสำหรับผู้ใหม่ขอดูมืออีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวลุงไปรัครบหลวงพ่อข้างล่าง ไปตอนนี้เลยสําหรับผู้ที่เคยเข้าคอร์ดแล้วก็ลงนั่งปฏิบัติตรงนี้พระท่านจะเป็นเพื่อนแล้วมาจะไปคุยข้างล่างสําหรับผู้ใหม่สําหรับงานเนี้ยนะที่ยังไม่เคยเก็บอารมณ์ไม่เคยเข้าคอร์ดมาเลยเนี้ยลงไปข้างล่างแล้วสำหรับท่านทุกท่านเขาเข้านั่งประจําที่ได้เหมือนเดิมเก็บหนังสือก่อน